นักลบเป็นไงนักลบสติเกิดได้เร็วขึ้นหมจริงจริงมันไม่ได้มีอะไรยากเลยการปฏิบัติเนะเราชอบไปสร้างเราชอบไปทําอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะจึงไม่มีอะไรเลยให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตใจเราเข้าไปพอรู้ทันเข้าไปเข้ามันจะหยุดถึงมะเดงมันข้ามพ้นความปรุงแต่งนละ้วธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอนนิพพานมันก็ปรากฏ คือเราอย่างไงมันก็ไม่ได้อย่างเราต้องการหรอกเพราะความต้องการของเราจะขยายไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อนะหัดใหม่นะมีปีสามแปดมั้งไปดูไปอยู่วังน้ำมอกที่หนองคายไปอ่านหนังสือของอาจารย์มหาบวัว เ, เข้าสู่แดนอวากาศอะไรเร่นันนะอานานไปนะใจมันก็ไม่มีใคร ทำจิตให้มันรู้มรรคผลได้หรอกมันเกิดเข้าใจตรงนี้น ะ, ะสบายขึ้นมาแว บ, บหนึ่งไม่นานนะัะไม่กี่วันเข้าไปจับได้อีกละเข้าไปยึดอีกละใจเราเราบังคับไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราคิดว่าจะทำให้ได้อย่างต้องการมันไม่ไม่จุใจเพราความต้องการเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆ อ, อย่างเดิมไม่มีสติเลยได้สติขึ้นมาแว บ, บหนึ่งเราก็ดีใจละ ตอนหลวงพ่อหันในใหม่นะดูมนตั้งแต่สุรินย่านกรุงเทพอนะตื่นขึ้นมาได้แว บ, บเดียวตื่นแนละ้วไม่ใช่อย่างอื่นเลยแค่ตื่นอย่างที่พวกเราฟังหลว ง, งพ่อแป๊บๆแล้วตื่นขนะึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อใช้เวลาหลายชั่วโมงจากสุรินถึงกรุงเทพแนละตื่นได้แว บ, บเดียวนะเสร็จแล้วมันก็หายไปอีกหลับอีกมันฝันอีกพักเพียนนะโอ้ดูไปอีกอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยหลุดขึ้นมาอีก ไม่นาน่ะแป๊บแปตื่นขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่หลวงพ่อไม่เคยคิดเลยนะว่ามันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างงี้มันเป็นยังไงก็สู้มันอยู่ตรงนั้นแหลนะมันจะดีจะร้ายนะก็ดูมันก็แปะต้องสู้นะธรรมะเป็นของคนจริงนะไม่ใช่ของคนอ่อนแอเปราะแปะนะอย่างนี้ใส่หลวงพ่อทำอะไรนะทําจริงๆนะไม่มีถอยหรอกเราะฉนั้นให้ทำสร้างไป ใครจะพูดเนี่ยช่า ง, งาเถอะนะฮะคือเราไม่สามารถทําทุกอย่างให้สมบูรณ์ในทีเดียวนะเราว่าความสมบูรณ์ไม่มีในโลกหรอกสมบูรณ์ตามใจคนไม่ได้หรอกนะก็ทําไปตามสถานการณ์ในทิศทางมันใช้ได้ก็แล้วกันนะทําอะไรทําอะไรอือลองคิดล อ, องคิดเฉยๆพอละอย่ากลัวหลงนะอืม ใจถึงถึงปฏิบัติจอย่า ก, กลัวหลงอย่า ก, กลัวกิเลสกิเลสมันก็คือคู่ชกของเราอย่าไปกลัวมันนะมันมาแล้วก็ค่อยรู้เอาบางคนกลัวมันมากนะกลายเป็นเสียท่ามันอย่างเราจะสู้กับใครสักคนแนละ้วถ้าเรากลัวสัก่อนนะใจฝ่อแล้วสู้ไม่ไหวหรอกการปฏิบัติเหมือนกันอย่าไปกลัวมันเผลอก็เผลอสิใจถึงถึง เผลอบเผลอไปเลยเดี๋ยวพอเผลอแล้วเราก็รู้ให้ไวขึ้นหน่อยก็แล้วกันอ ย, เย่เผลอเป็นวันวันทำให้มันสบายนะสบายต้องสบายถ้ารู้สึกอึดอัดนะหยุดเลยทำตัวให้มันเกเรนิดนิ ด, นดอย่า ก, กลัวลสอนอย่างนี้คุณชัดพอใจสอนแบบวัยรุ่นนักลบอย่าไปทำมันให้รู้ทัน จิตใจเราแอบไปทำงานให้รู้ทั น, นรู้ทันแต่ว่าไม่ใช่ไปจงใจทำโอ้บอยดีนะบอยลุกก็ดีนะลุกไปเข้าโรงพยาบาลมาจิตเลยพัฒนาขึ้นนะเป็นหวัดเสียวใช่ไหมเเสี่ยงเป็นเสียงตายจิตเลยพัฒนาขึ้นนะดีแล้วแต่ไม่ต้องถ่าอีกนะแค่นี้พอแล้ว เดี๋ยวอ๋ผ่าแล้วดีผ่าสมองเรื่อยๆแย่รู้สึกไหมตุกใจมันตื่นตื่นมันโล่งมันเบานะมันสบายนะฝึกไปสองคนพากันไปให้ได้สองคนพากันไปได้ส่วนพี่สาวนี่ทำไมทําอะไระเดี๋ยวนี้นะ้ํะคนเมื่อวานมาเยอะเลยเมื่อวานเมื่อวันสื่นนะ พวกมาเรียนครั้งที่สองอโอหมันตื่นกันทั้งสาราเลยเห็นแล้วสดชื่นถ้าเจอแต่ลูกติดหลงหลงมอมๆอมนะโห้เห็นแล้วเหนื่อย <c oughs> อย่าไปแกล้งทามันนะ <c oughs> ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะตื่นขึ้นมาเองแต่ถ้าเราจงใจทำนัมันจะยิ่งหลับลึกลงไปอีกมันฝันไหลนะไหลใจถึงถึงนะ อยา ก, กลัวนะอยากตัวไม่ต้องดีก็ได้ท่องไว้่อยนะไม่ต้องดีก็ได้นะเราไม่ได้ฝึกให้เป็นคนดีแต่ชั่วไม่ได้มัน <c oughs> ชั่วไม่ได้นะถ้วสติมันเกิดมันชั่วไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ได้ฝึกเอาดีนุชเป็นไงนุชแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เป็นไงขณะเนี้ยรู้ตัวเต็มที่ยังมันมีอะไรอยู่ละ่ะ อ้าวใจมันฟุ้งไปนะมันเป็นโมหะอย่างหนึง่งแต่ว่าอย่าไปบังคับนะเริ่มบังคับแล้วทราบไหมไม่บังคับมันหรอกนักรบใจลอยไหม <c oughs> โอ้น่าสงสารตัวท่านี้นะตู้กับเขาทุกวัน <c oughs> อะว่าไง ก็อย่าให้นานนักเนาะกระดูกระดิกรู้สึกแล้วคือการดูจิตเนี่ยบางทีถ้าดูรวดไปเลยนะกําลังก็ตกเหมือนกันเราก็เอากายมาช่วยรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าเดินห่ำรุ่งห่ำค่ํานะไม่ใช่บางคนนึกว่าเดินเยอะๆเราจะตื่นไม่ใช่อแต่ว่าทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว เอาความเคลื่อนไหวของร่างกายมากระตุน้นความรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆเยนี่ยก็ตื่นเองแหละเวลาเราปฏิบัติเนี่ยพอมาถึงจุดอย่างที่พวกเราทําตอนเนี้ยมันไม่ใช่สายกายสายจิตแล้วมันมีแต่แค่ว่ามีสติหรือขาดสติเท่านั้นเองเมื่อเกิดสติขึ้นมาบางครั้งจิตก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตนักรบรู้สึกไหมมันทําของมันเองเราเลือกไม่ได้ไอ้ที่ว่ามีสายโนนสายนี้อันนั้นเบื้องต้นหรอก ค่อยๆหัดเบื้องต้นเบื้องต้นมารู้กายซะก่อนมารู้กายแล้วก็มันรู้จิตเป็นเพราะร่างกายมันเคลื่อนไหวเพระจิตมันสั่งร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนจิตมันเป็นคนดูอยย่างเี้ค่อยๆหัดหรือพอเรามาหัดรู้จิตรู้ใจของเราต่อไปเราก็รู้กายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกตลอดเลยนะกระทั่งนอนเวลานอนรู้สึกไหมพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยใครบอกว่าดูจิตแล้วไม่รู้กายไม่จริงหรอกรู้ไว ไวมากเลยนะเดกกระดุกกระดิกอะไรรู้สึกตลอดเลยงัย้นพอสติมันเกิดรู้กายก็ให้สติเกิดรู้จิตก็เพื่อให้สติเกิดสติเกิดแล้วก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วแต่ว่าสติจ ะ, ะระลึกรู้กายก็เห็นความจริงของกายรละละรึกรู้จิตก็เห็นความจริงของจิตหนีไปคิดสนุกไหม <c oughs> อา้าส่อองกันบ้าน อึดอัดถ้าเราไปบังคับเหมันอย่างเราอยากรู้สึกหรือเรากลัวจะเผลอนะแล้วก็บังคับมันก็จะอึดอัดอย่างตอนนี้บังคับหน่อยๆทราบไหมอยากเลิกไหมให้รู้ว่าอยากเลิกแล้วอย่าอยากจะอยากเลิอกอยากแล้วก <c oughs> ็ออยังอยากหายอยู่ก็ดูไปที่ตรงที่อยากหายอะ่ะให้รู้ทัน อยากตอนนี้จงใจไปดูล้รู้ไหมให้รู้ทันลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะใจมันแข็งแข็งมันแน่นแน่นขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไปจงใจปฏิบัติเราจงใจปฏิบัติจงใจประคองจงใจควบคุมจงใจบังคับจงใจกาหนดเนี่ยจะแน่นแน่นที่พอมันแน่นขึ้นมาเนี่ยใจเราไม่ชอบเราก็รู้ทันว่าใจไม่ชอบรู้ลงปัจจุบันแน่นๆเป็นอดีตปัจจุบันคือใจไม่ชอบ ใจไม่ชอบเราเกิดไปรู้ว่าใจไม่ชอบเราก็ไม่ชอบความไม่ชอบใจอีกละมันจะซ้อนเข้าไปเรื่อยๆเพราะเรารู้ลงปัจจุบันอยู่ที่ใจเราอันเดียวรู้อยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละใช่เราอัดเข้าไว้มันอัดเหมือนอย่างอากาศนะอยู่ในที่โล่งๆเงี้ยมันก็ไม่มีแรงดันเลยเอามวลอากาศอัดเข้าไปในที่แคบๆก็มีแรงอึดอัดขึ้มนมา มันแน่นจิตนี้ก็เหมือนกันเราไปอัดมันนะมันก็แน่นขึ้นมาเราทำเองอยากหายอยากหายรู้ให้ทันที่อยากหายก็ไม่ได้ฝึกเพื่อให้หายนะก็ฝึกเพื่อว่าจิตใจเนี่ยมันแอบไปบังคับไว้เราก็ห้ามมันไม่ได้ฝึกให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะห้ามไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับนะาะจับหลักให้แม่นแม่น การที่เรามาปฏิบัติธรรมมารู้กายมารู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะบังคับกายบังคับใจใกายใจไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงไม่ได้กายใจเป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขไม่ได้กายใจเป็นของบังคับไม่ได้จะบังคับตามใจชอบไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับเขาแต่ว่านักปฏิบัติอดบังคับไม่ได้เออมันบังคับเราก็แค่รู้ทันรู้ว่ายัางบังคับอยู่ แต่เมื่อมันบังคับแล้วเราอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกไม่เป็นไรตามรู้ไปรู้ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละเราจะบังคับให้รู้เนี่ยบังคับไม่ได้ไม่มีใครสั่งสติให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครสักคนเดียวเลยเพราะสติเป็นอนัตตาไม่ขึ้นอยู่ในบังคับของใครทั้งสิน้นสติมีเหตุคือการจําสภาวะได้ งั้นถ้าเมื่อไหร่จิตมันจำได้ว่าเนี่ยไปบังคับมาแล้วหรือไปอยากแก้อยากให้หายแน่นถ้าจิตมันรู้จักว่าอยากหายแน่นมันจะหายเลยแต่ถ้ามันยังมองไม่ออกมันยังไม่รู้จักมันยังมองไม่ออกไม่หายหรอกยิ่งเราพยายามไปบังคับพยายามไปแก้นะเราจะยิ่งทุกข์มากขึ้นกว่าเก่าอีกเราเรียกว่าทุกข์เพราะการปฏิบัติทุกข์เพราะอยากดีต้องทนไปนะ ไม่หายจะไม่หายสับใดที่ยังเกลียดมันอยู่แต่สัปใดจะวันใดที่รู้สึก อ, อ, อยู่ด้วยกันก็ได้เป็นเพื่อนกันมันจะหนีไปทันทีเลยเราจะรู้เขาเองนะเราบังคับเขาไม่ได้เพราะงั้นตอนนี้นะมันเป็นวิปาก ความแน่นตัวเนี้ยเป็นวิบากเป็นผลของการกระทํากรรมการกระทํากรรมของเรากรรมตัวนี้คือการที่เราบังคับตัวเองบังคับใจตัวเองอะไรทําให้เกิดการกระทํากรรมตัวนี้ก็กิเลสอยากปฏิบัติอยากดีอยากบรรลุจะมีกิเลสเกิดการกระทํากรรมแล้วก็เกิดวิบากมันทุกข์ขึ้นมามันแน่นขึ้นมาดังนั้นตัววิบากเนี่ยจะมีไปเรื่อยๆถึงไปรู้ก็ไม่หายเพามันไม่ใช่กิเลส แต่ถ้าเมไรนะเขารู้แล้วไม่เติมอะไรลงไปเดี๋ยวมันก็หายมันไม่เที่ยงหรอกสังเกตไหมป้าตอนที่เราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติมันหายไปเอานะอ่เพราะงั้นก็แวบไปเผลอไปเลยเผลอไปเลยนะแล้วก็พอมันเผลอแล้วก็รู้เอาใหม่พอมันแน่นอีกเผลอใหม่อีกแต่อย่าไปเล่าใครนะเดี๋ยวคนไปเล่าคนบกลงพ่อประมวทสอนให้เผลอ เนี่ครูบาอจารย์จะบอกว่าโอ้อนอะไรทิสดานอันนี้เป็นอุบายเฉพาะตัวนะอุบายไม่ใช่หลักนะเออุบายกับหลักไม่เหมือนกันคนอื่นห้ามไปทํานะ <c oughs> พอะฟ้อมบังคับมากไปบังคับมากไปก็โยนมันทิ้งไปเลยแล้วรู้สึกเอาใหม่ของคนอื่นถ้าดูไปตามลําดับได้ก็ดูไปตามลําดับดูไปตามหลักก็คือใจเราแน่นขึ้นมารู้ว่าแน่น แต่เราไม่ชอบอยากหายรู้ว่าอยากหายาใจเป็นกลางความอยากหายไปเนี้ดับพมันดับปุ๊บใจเป็นกลางแน่นๆก็หายไปด้วยมีพิคิดซะหน่อยอรู้สึกไหมมันเบาขึ้นหน่อยไหมจะคอยรู้ไปนะทําเล่นๆอย่าทําจริงก็ทําจริงเกินไปอ่ะนี่ส่งกันบ้านอยเี่ ใหม่ๆก็ยังงั้นนะนะพระเจ้าถึงสอนหัดใหม่ไม่คลุกคลีถ้าคลุกคลีต้องยุ่งกับคนเยอะต้องพูดเยอะพูดเยอะหลงง่ายลืมตัวง่ายแต่ถ้ามันจําเป็นมันก็จําเป็นเนาะเราทํามาหากินต้องยุ่งกับคนก็ต้องยุ่งไปช่วยไม่ได้จําเป็นแต่ว่าเราพยายามเบรกตัวเองเป็นช่วงๆอย่างชั่วโมงหนึ่งพยายามเบรกตัวเองสักทีเช่นแกล้งลุกไปห้องน้ำอะไรเงี้ย เห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําำขากลับเดินกลับมาสบายใจหรือว่าสบายใจเแบบ็กตัวเองนิดนึงถ้าทําได้นะถ้าทําไม่ได้นั่งทํางานหมกมุ่นอยู่หายใจแรงๆทั้งสองทีเริ่มต้นใหม่คล้ายๆเ บ, บ็กตัวเองซอยชีวิตของเราให้เป็นช่วงเล็กๆแล้วเรายาวเราทํางานยาวหลายชั่วโมงต่อกันอยวรอจนเลิกงานแล้วไปดูนะมัน มันหนักหนาสาหัสเกินไปแล้วก็คห้ยๆเว้นวรกให้ตัวเองนิดหนึง่งเข้าใจเปล่านี่เป็นอุบายเหมือนกันนะคนอื่นไม่เกี่ยวอีกเวลาสอนวนะ่โอ้ยหลวพ่อปวดหัวมากเลยสอนคนนี้อีกคนนี้เอาไปทำาเลยนี่เสียหายนะอะชื่ออะไรลืมอีกแล้วเออคุณผ่านนิดบังคับไหม ถ้าเผลอไม่อึนอัดถ้าเผลอแล้วจะสบายอ่ธรรมดานะพวกเล่งทํากันบ้านนะ่ะอ ย, อย่างอาจารย์ให้กันบ้านไว้นะอาทิตย์นหน้าต้องส่งอนะ่ะเรามาทําคืนสุดท้ายมันก็อึดอัดหน่อยถ้าทาทุกวันนะไม่เป็นไรพยายามรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนไปรู้สึกเรื่อยๆ ร, รู้สึกบ่อยๆ รู้สึกไปเรื่อยๆแล้วสบายนะออื่าของคุณบรรจงเพิ่มการทําในรูปแบบขึ้นหน่อยมีรูปแบบสักหน่อย่อาถ้าเราไปเรื่อยเราไม่มีรูปแบบเลยนะมันจะเรื่อยเฉืยมันจะเฉื่อยงั้นมีมีรูปแบบไปอย่าทิ้งน ะ, ะนะอ่านะคุณบรรจงเดินได้ก็เดินนะ เดินไม่ได้ผุณเป็นจงก็ขยับอะไรไปเนะคยมีนักปฏิบัติบางคนนะเอาก้อนกรวดเล็กๆอใส่ไว้ไในนิ้วแล้วก็แตะๆไปเนี่ยได้อะไรก็ได้คือให้มันมีผัสสะไว้มีผัสสะใหม่แล้วก็รู้สึกมีผัสสะแล้วก็รู้สึกผัสสะมันจะกระตุ้นความรู้สึกให้เราสดขึ้นมาใหม่ขึ้นม า, มานี่งั้นเอาไปหมดมันแช่ดังนั้นผัสสะนี่ดีนะอย่างนี้ผัสสะ ขัดสัมันทําให้จิตใจเนี่ยตื่นตัวขึ้นมารู้สึกไหมตอนจะตีกับเขาเนี่ยมันตื่นตัวว่องไวรู้สึกไหมถ้าเดินเราทุ่งวี่ทุกวันนั้นมันก็ชักสืบๆเป็นไหม <c oughs> มันมีศัตรูคู่อาฆาตหรือศัตรูบุกนี่นะมันตื่นตัวนั้นไม่ต้องกลัวขัดสะมลมหายใจแล้วลมหายใจชวนให้เคลื่ง่าย <c oughs> ดูร่างกายที่หยาบหยากดีปะ เค่อคุณเป็นจงนั่งนวดตัวเองแบบนี้ก็ได้นวดเนี่ยหใจลอยแป๊บรู้ทันบางีคุยกับเพื่อนเี่ยคุยกันสนุกเรารร้ตแอามันมันนานๆรู้ทีหนึ่งก็แรงหน่อยแต่ถ้าเรารู้หนึ่งเดือนนะไม่แรงหนึ่งเเหมือนอย่างนี้เหมือนคุณสานิดเนี่ยนานๆทากันบ้านทีบก็แรง ทำไปเรื่อยๆไม่ได้ไ ม, ไม่เป็นไรอยากหายไห ม, ไมห ด, ดูไปเรื่อยนะอาา้าวจันปูจันตูตูลหรืออูอยากหยุดไหม <c oughs> <c oughs> อยากก็ไปรู้เอานะถ้าอยากอยู่ <c oughs> ก็เกิดการทำกรรมตัณหาทำให้เกิดการสร้างพบ มีความอยากอยู่ก็เกิดการกระทํากรรมคือการจงใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกไหมให้เรารู้ทันเมื่อเกิดการกระทํากรรมวใจก็ต้องทุกเป็นธรรมดาถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ใจมันอยากมันก็ไม่ทํากรรมก็ใช้ได้อันนี้ดีที่สุดถ้ารู้ไม่ทันมันเกิดการทํางานทางใจอยู่เช่นกําลังจ้องอยู่เลยรู้ทันว่ากําลังจ้องอยู่อย่างนี้ก็ยังใช้ได้แต่ถ้ามันจ้องไปเสร็จแล้วจนทื่อๆไปแล้วนะ ต้องใช้เวลาแล้ะใช้นี้ ม, มันรึ่ามันกั ว, อ, ก ว, วอืแวว อ, อ, อ, อแล้วือว่าจะอยู่นไม่อะไรีลอืนั่นแหละเรากำลังยึดความคิดความเห็นยึดความรู้สึกอันนี้อยู่ให้รู้ว่ากำลังรู้สึกกลัวยอย่างนี้อยู่นั่นแะอารมณ์ปัจจุบนัน นี่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติพอไปเจออา ร, รมณ์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยไม่คุ้นเคยเราจะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีอา ร, รมณ์อย่างตอนเราตื่นขึ้นมาเราเว้งกว้างรู้สึกเว้งกว้างเนี่ยเราก็คิดว่าไม่มีอะไรให้ดูเราเที่ยวหายใหญ่เลยว่าจะดูอะไรดีความจิงเพ้งกว้างรู้สึกว่าเว้งกว้างเลยแต่จิตเรายังไม่รู้จักอา ร, รมณ์ตัวนี้พอเรารู้จักอา ร, รมณ์ตัวนี้มันรู้สึกเว้งกวาง้างขึ้นมารู้ปั๊บมันขาดไปเลย เนี่ยเราต้องค่อยๆดูไปในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะธรรมเยอะแยะเลยมันมาไม้ไหนก็เข้าใจมันหมดกระทั่งว่างๆนะดูไปถึงจุดหนึ่งว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยนัปฏิบัติมาถามหลวงพ่อภาวนาจนจิตว่างเนี่ยทายัายางไงบอกไม่ว่างหรอกนะไอ้ว่างนั้นว่างจอมปลอมว่างที่คู่กับวุ่นวายให้รู้ไปว่างก็เป็นอารมณ์นหนึง่งนะเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน ไม่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะจันตุจับหลักเลยรู้ลูกเดียวงั้นดูไปแล้วรู้จะดูอะไรดีไม่รู้จะจับอะไรรู้ว่าไม่รู้จะจับอะไรรู้ว่ากําลังเคว้งคว้างนยดูไปเรืยเคว้งคว้างไปเรืย เ, เกิดกลัวรู้ว่าัวเกิดเบื่อรู้ว่าเบื่ออย่าให้อารมณ์มันครอบงําโดยเรารู้ไม่ทัน นักปฏิบัติเนี่ยเมื่อจิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปช่วงหนึ่งไม่ว่าเราทําวิปัสนาตัวจริงละเมื่อเดินไปช่วงหนึ่งมันจะมีอุปสรรคหนึ่งสองช่วงช่วงหนึ่งคือพวกวิปัสสนูทั้งหลายแต่อันนี้ไม่ใช่วิปัสสนุเมื่อดูไปเรื่อยวันหนึ่งมันจะรู้สึกเลยหาที่พึ่งไม่ได้เลยรู้สึกเมืองว้างไปหมดเลยี่พวกหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็มีบางพวกเบื่อบางพวกกลัวนะรู้สึกไม่มีตัวเราหายไปไหนตัวเราหายไปไห น, าหาไไหนกลัว สภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันนี่ก็คือความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาอีกเมื่อรู้ทันในทะี่สุดใจางเข้าไปสู่ความเป็นกลางความเป็นกลางคราวนี้เมันคือประตูของการบรรลุมรรคผลดูไปนะดีแล้วอ้าวคุณชัดสรงกันบ้านเลย ตอนนี้ใจมันซึมๆมรู้สึกไหม ม, ม, ม, มันซึมนะจิตไปเข้าไปติดความซึมพยายามหาอะไรกระตุ้นความรู้สึกให้มันกระปรี่กระเป๋าไม่ได้ยุให้หาเมียน้อยน ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเจออ้าวเป็นข้ออ้างเนะนื้อหาอารมณ์อะไรก็ได้มากระตุ้นกระตุ้นความรู้สึกของเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานทีนะ่อย่างเราอยู่บ้านเราทุกวัน นั่งมองกันไปมองกันมาก็ซึมซึมอยู่เงี้ยเราก็เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติบ้บางไปตามวัดบ้างไปอะไรบ้างฟังธรรมบ้างหากิจกรรมมากระตุ้นมาราวความรู้สึกหน่อยเราอยู่ในสภาวะที่ซ้าซากนานไปมันจะซึมนี่ไปคิดทราบไหมคุณชัดอาคุณบุพภาเป็นไงนี่พี่สาวไม่สี่่อนธรรม เวลาร่างกายไม่สบายนะคุณบุปพาดูเลยร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูใจของเราอยู่ต่างหากเป็นคนดนะูกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งเเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นมาความเจ็บทั้งหลายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายหรอกไม่ใช่จิตด้วยนะพอเราเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วจิตเราหมองจิตเราหมองหมองมัวมัวไเรารู้ว่าหมองหมองมัวัวจิตที่หมองหมองมัวมั ว, มวก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อีก จิตที่เป็นคนไปรู้ความมองความมัวไม่เคยมองไม่เคย ม, มัวเลยจะใคยรู้ไปอย่างนี้นะต้องซ้อมเลต้องซ้อมครูบาอาจารย์เคยเตือนเคยสอนมาว่าเราฝึกกันถ้าเป็นแทบตายนะเพื่อไปชิงชัยกันนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายนี่แหละจะแพ้หรือจะชนะอยู่ตรงนาทีสุดท้ายนี่เองดั้วเราก็ต้องฝึกไปการที่ร่างกายเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ คล้ายๆเราได้ทําแบบฝึกหัดวันหนึ่งจะต้องเจอสิ่งที่หนักกว่า น, นี้อีกยลวงปูกฟั่นก็สอนอย่างนี้บอกว่ามันคล้ายๆเราซ้อมไปเรื่อยๆน่วไปชิงชัยกันนาทีสุดท้ายนั่นแหละจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเกิดแล้วจะเกิดที่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติเป็นใจมันหลุดไปแล้วนะมันไม่ต้องทํานะวมันไม่ต้องไปชิงชัยอย่างเวลานอนเนี้ใจจะไม่เคลื่อนไม่ไหลไม่ทําอะไร งั้นเวลาจะตายนิมิตไม่มีงั้นมันไม่ต้องทำงา น, นสบายไงยคุณบุพภานี้ได้ทำอะไรอ่าตับถูกห่างวัดไปนิดนึงสองคนเลยเฉยเยไปนะ